ตายแบบประกันความปลอดภัยได้ไปสวรรค์นแน่ถามเชื่อมานานแล้วว่าภพภูมิจริงชาตินามีจริงมีดีให้ไปจริงไม่รู้เท่านั้นว่าจะได้ไปดีหรือเปล่าแบบว่าทําใจเป็นกุศลไม่ค่อยได้สม่ำเสมอนักมารเยอะก็อ่านเรื่องมารที่คุณดังตรินตอบก็พอจะเข้าใจละ ว่ากิเลส ข, ของตัวเองเป็นมารชนิดหนึ่งแต่พอตั้งใจจะทำความดีก็มักมีมารภายนอกมากแกล้งให้ตะบะแตกอยู่เรื่อยประเด็นคืออยากขอคาแนะนาวิธีประกันภัยให้ตัวเองตายแล้วไปดีๆหน่อยเอาแบบปิดอบายภูมิได้เด็ดขาดเลยยิ่งดีขอพูดแบบไม่กระมิกระเมียนแล้วกันคื อ, อยังเป็นคนไม่ค่อยดีนักแต่อยากไปสวรรค์ อยากได้นางฟ้าเป็นเมียรครับรบกวนชี้ทางสว่างด้วยต่อตามธรรมชาติแล้วซึ่งไม่ใช่ตามพระทยของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่ตามใจผมหรือใครนะครับผู้จะปิดกั้นอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาด จะต้องเป็นโสดาบันบุคคลซะก่อนพ้นจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าทากรรมหนักชนิดห้ามสวรรค์นิพพานไว้หรือไม่หรือก่อนตายประกอบอากุศลกรรมจนจิตมืดหรือไม่ยิ่งถ้าหากใช้ชีวิตผิดองศาสวรรค์ทำบาปทากรรมเป็นนิดโอกาสพุ่งเหลาลงมาหาสมุดทุกขอันได้แก่นรบ ก, กภูม เดรัฉานภูมิและเปรตภูมิก็ยิ่งมากหน่อยทั้งนี้ก็เพราะตัวหนักกว่าคนอื่นเขานี่พูดกันตามเนื้อผ้าแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ใช่แกล้งให้เสียกำลังใจกันนะครับอย่าประมาทเป็นดีที่สุดเมื่อความจริงคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นที่รอดแน่ เป็นทางเดียวที่ไม่ต้องร่วงหล่นสู่อบายภูมิสวัสดียมพบาลอีกก็ต้องทำความเป็นโซดาบันให้เกิดขึ้นจริงในตัวเราและการเป็นโซดาบันไม่ใช่ประการได้เฉพาะแค่ชาติหน้านะครับชาติถัดไปจนถึงนิพพานคุณก็จะไม่ต้องพลาดลงต่ำกว่าความเป็นมนุษย์อีกแล้วคือต่ำที่สุดแค่มนุษย์สูงที่สุดแค่พรหมผลจากนั้น คือถึงนิพพานอันปราศจากการเกาะเกี่ยวพบน้อยใหญ่ทั้งหลายการเป็นพระโสดาบันในพุทธศาสนาหาใช่เรื่องเกินเอื้อมเหมือนอย่างที่ล้อเลียนเป็นเรื่องตลกในหมู่คนไทยทั้งที่ไทยนี่แหละได้ชื่อว่าสืบทอดถ้อยคำของพระศาสดาไว้ไม่ถูกบิดเบือนมากนักเพราะที่จะเป็นพระโสดาบันได้ ก็ขอเพียงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆ จ, จิตเหนี่ยวนำพระองค์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตกับทั้งมีความเข้าใจถูกศรัทธาอย่างมีเหตุผลว่ากรรมขาวทำแล้วให้ผลดีกรรมดำทำแล้วให้ผลร้ายและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือต้องรู้เข้ามาในกายใจให้ชัดเจนอย่างน้อยที่สุดในวาระที่จิตใกล้ดับโดยไม่ต้องคิดห่วงหน้าพวงหลัง ไม่คิดถึงสิ่งอื่นใดเลยนอกเหนือไปจากเห็นอยู่รู้อยู่ในขอบเขตของกายใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นถ้ายังมองว่าเป็นเรื่องสูงส่งเกินเอื้อมก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคุณจะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้แค่เตรียมตัวตายอย่างพระโสดาบันเป็นก็พอแล้ว เพราะถ้าจารนัยวิธีเป็นพระโสดาบันคงยาวและเป็นที่น่าท้อสำหรับหลายหลายคนด้วยคำตอบสั้นๆในเนื้อที่จำกัดนี้ผมจะไม่บอกวิธีทำธุรกิจเพื่อเป็นพ่อค้าใหญ่ภายในเจ็ดเดือนแต่จะบอกวิธีหย่อดกระปุกนับจากวันนี้จบจนสิ้นลมเพื่อความเป็นผู้พอมีอันจะกินกันทุกคน จากหลักความจริงที่ว่าถ้าจะเป็นพระโสดาบันต้องเห็นกายใจนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเราก็ค่อยๆฝึกดูความจริงวันละนิดก็ได้ครับไม่ต้องมากเช่นเมื่อนอนเหยียดกายยาวก่อนหลับให้สมมุติว่านั่นเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตพอจะตายจริงก็ต้องทอดนอนอย่างนี้ และเตรียมเผชิญภาวะลมหายใจขาดสูญไปจากกายเช่นนี้การสมมุติเช่นนั้นถ้าทำครั้งสองครั้งจะเหมือนจินตนาการเล่นไม่เกิดผลอะไรแต่ถ้าทำสม่ำเสมอก็จะเป็นการซักซ้อมอารมณ์ก่อนตายได้จริงๆคือเมื่อมาถึงนาทีสุดท้ายจะเหมือนคุณนคุ้นเคย และพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งตามที่ได้ซักซ้อมไว้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนซักซ้อมคุณเตรียมใจแวดท่าไหนอย่างไรธรรมดาแล้วลมหายใจมีทั้งเข้าออกและขาดหายอยู่ตลอดเวลาเวลาจะตายก็เพียงเข้าออกครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีการเข้าอีกเลยชั่วนิวรัน ขอให้ถือความจริงนั่นแหละเป็นเครื่องพิจารณาทุกคืนคุณดูลมหายใจเตรียมตัวตายครั้งเดียวพอมีสติลากลมหายใจเข้าแล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจเข้าเราบังคับให้มีแต่ลมหายใจเข้าไม่ได้เรารักษาลมหายใจเข้าไว้ตลอดไปไม่ได้จากนั้น มีสติระบายลมหายใจออกแล้วเห็นตามจริงว่าเราไม่ใช่เจ้าของลมหายใจออกเราบังคับให้มีแต่ลมหายใจออกไม่ได้เรารักษาลมหายใจออกไว้ตลอดไปไม่ได้เอาแค่นั้นแหละครับเห็นความจริงตรงที่ลมหายใจมันปรากฏให้พิจารณาจริงๆทุกคืนขอเพียงครั้งเดียวที่คนเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตน ด้วยการระลึกถึงลมอันไม่ใช่สมบัติของใครความว่างชนิดนั้นจะขยายชัดขึ้นเรื่อยๆเป็นอิสระจากความเกาะเกี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับขับเคลื่อนไปสู่ความตายอย่างโสดาบันได้เต็มอัตรายิ่งขึ้นเรื่อยๆ หากคุณมีเวลาเหลืออีกสิบปีเพื่อเตรียมตัวตายด้วยวิธีดูลมหายใจคืนละหนึ่งครั้งก่อนนอนคุณจะสะสมความว่างจากตัวตนได้3650หครั้งซึ่งก็ส่งพลังพอใช้แล้วครับคุณจะรู้สึกถึงความว่างออกมาจากกลางใจอยู่เรื่อยๆในยามปกติระหว่างวันและเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึงจริงอำนาจความเคยชิน ที่เห็นลมหายใจไม่ใช่ของเราจะมากพอตัดความอะไรในกายใจนี้ลงเมื่อตัดความรู้สึกมีตัวตนอยู่ในกายใจนี้ได้สิ่งอื่นที่เนื่องด้วยตัวตนของเราก็ไร้ความหมายทั้งสมบัติพัสถานทั้งญาติมิตรใ ด, ดๆในโลกนี้ที่คุณกําลังจะทิ้งไป ความว่างจะอัตตาในนาทีที่จิตกำลังจะเปลี่ยนภพนั้นมีผลสำคัญใหญ่หลวงเพราะภาวะก่อนตายเป็นตัวช่วยให้รู้สึกชัดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปแน่ไม่มีอะไรในมือนี้กําได้อีกความเด็ดเดี่ยวเฉพาะหน้าจึงเกิดขึ้นเมื่อปราศจากความห่วงหน้าพวงหลังแถมไม่รู้สึกว่าลมหายใจที่กาลังจะขาดจากกาย เป็นสมบัติของเราจิตก็มีสิทธิสงบรวมลงเป็นฌานด้วยอาการปล่อยวางได้ในช่วงสั้นๆตรงนั้นล่ละครับภาวะแบบโสดาบันจะปรากฏคือคุณจะเห็นนิพพานอันปราศจากนิมิตปราศจากรูปรอยใดๆหมดจากภาวะรับรู้เช่นนั้นก็จะตระหนักว่าประตูอบายปิดสนิทเด็ดขาดแล้ว เนื่องจากจิตจะสว่างโพลงและแผ่กว้างเป็นอ น, นันต์สเสวยปีติสุขอันเป็นรสที่เหนือความเป็นทิพย์สวรรค์จะคล้ายปากตรอกที่เดินทอดนองสบายๆไม่กี่ก้าวก็ลวงถึงอ้อนอกจากสะสมความว่างคืนละครั้งชาตินี้ห้ามฆ่าพ่อแม่ห้ามฆ่าพระอรหรันต์ และถ้าคุณเป็นพระก็ห้ามทำให้สงในวัดแตกกันนะครับเพราะบาปหนักเหล่านั้นจะจํากัดสิทธิ์ไม่ให้จิตเข้าถึงความผนึกแน่นเป็นฌานก่อนตายปิดกั้นไม่ให้เห็นนิพพานไม่ให้ผ่านชั้นโสดาบันได้เลยบาปอื่นนอกเหนือจากนั้นยังเปิดโอกาสให้พอมีสิทธิ์ได้หมดการเป็นโสดาบันก่อนจิตดับจากภพมนุษย์ ประการชัดครับว่าสวรรค์ไม่เกินเอื้อมและบนสวรรค์ก็มีอะไรอะไรอย่างที่คุณอยากจะมีนั่นแหละไม่พลาดหรอก